ถ้าคุณถ้าคุณเล่นเกมแม็นาล็อกหรืออะไรมาก่อนเนี่ยถ้าคุณเล่นเกมไดโบรมาก่อนงานแรกคุณจะก้าวแทงเกอร์หรือพวกถือดาบไปก่อนว่ะหรือส่งใครเข้าไปก่อนถูกต้องปลยนกเลยไปก่อนเนยให้ไม่ไปเซอร์เวอ์ก่อนนั้นไอ้พวกนี้จะไปเซอร์เวอ์มาแล้วเล่าสภาพให้ฟังก่อนเว้ยไปเอาข้อมูลมาก่อนนั้นก็มาบีบให้อาจารย์ฟังกันก่อนนะทั้งห้องนะเว้ยบีบกันก่อนนะแป๊บแป๊บหนึ่งแล้วอาจารย์ก็วางแผนวิธีวิธีไปดูงานของผม่็จะเปลักษณะแบบนี้ผมก็ เพอนในห้องวิชาแลาวเมือนนะมึงถามคนห้าสอย่างเดียวเลยเพื่อนะมึงไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วเอาเชฟนิสซอนมาถามเลยครับมึงมีเป็นเทียนห้าสนะเพอสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแล้วแมกมังบัดน้ำเสียบานอากาศอย่างไรมึงอย่างเดียวอันนี่ดูแทนแล้วการจับแล้วไอ้นีนะแต่ไอยดีให้ดูหูแล้วทั้งหมดเลย คุณดูคุณภาพคอนโซลแม่งทำพีซอยังไงทำไมแม่งส่มอย่างนั้นแม่งเลือกราแมอยังไงเข้าใจยังมึงดู HR ชเขามึงเช็คไม่ได้แล้วเขารับเด็กเพิ่มไหมคู่มึงจะสมัครยังไงงานมึงตอแหลชี้แท้อย่างเดียวเลยเข้าอย่างเนี่ยก็บอกวันนรีู้เวทนานะูเทนาให้สุดๆลใช่มมึงดูเรื่องมเนจเ์เขาดูผู้บริหารของเขาแยกทีมงานกันชัดเจนมึงผู้หญิงองคนอยู่กู อันนี้ไม่ใช่นะคุณอะไรนงคงมีแหละในนิสัยหน้าตาแม่งเข้าใหม่ใหม่แมเหมือนต้นตีนหือว่าทหสวยทุกคนน่แม่งมีน้อยยังไงก็สวยแต่่งน้แล้ต้นตินก็สูบได้ใช่ไหมเอาล่ะทีนี้ follow ต่อไปต่อไปก็ตมาสนุกหมึงก็เล่าเรื่องใ้ต่อเองก็เก็บชวนแชร์เข้า เข้าไปล์ไว้ถูกว่าเด็กก็มันกว่าอารที่สองเปลี่ยนไหมนอกจากว่าลาดกันมึงก็ดูอื่นไอทีมนี้ได้ห้าต่อเนี่ยนี่โชว์แชร์คถามจะมีเยอะมากเพราะพวกมึงต้องถามเพราะการให้คะแนนเด็ดอยู่ที่คาถามกูเป็นคนให้เกรดกูจะฟังพวกมึงถามมึงถามฉลาดเองมึงถามผ้่มึงตอบได้ยงูรู้วิธีที่มึงถามมึงถามว่างงเร็วๆี่ามเริ่มทาห้าส่อนานหรือยังอะไรอย่างนี้ ไอ้คุหนูไม่ได้หลักฐานาในี่ปชุมใช่ปะหนูต้องคำถามที่ไฮ ไ, ไ, ไ, ไ, ไงงลท์ใครคืถามเลยรนูคือมันมืองงนห้สอผมถามอะไรคำถามเยอมากเลยถามเลยครับถ้าวิธีการจัดการยังไงไม่ไี่หนหูพูดคํายาบให้คุณซ้อมมันก่อนนะไม่ใช่ว่ใจเด็กไปหน้าแตกนะผมซ้อมผูคุณก่อนเนี่ยมันเี้เกิดการเนนี้เลยพี่ชนะเช่หนูบอกว่าเลยนะ คุมีวิธีการจัดการยังไงใช่ไม่มหนูอยากไปแลวหนูควรจะรู้มาก่อนแล้วหนูควรจะถามเขาแล้วแลคุณเปิดเครื่อคุณเป็นนักข่าวหมายหันเลยเมืม่อกี้คำอยากอุปสรร์อะไรก็ได้โอเคอยากอันกลางตัวละเอียดแล้วรวู้นาดนี้คุณเลยครับต้องวางอุ า, าสตร์ตอนเดี๋ยวสะสอนให้มื่เข้ามารงานนี้นะ ระหวางเมงงินเนี่ยมึงแอบคุยกับพนักงานเขาเก็บความลับให้ได้ห้าสอแม่งยังไงยังไงที่จะย่งแล้วมึงก็จากจุดอ่อนตามพนักงานก็ด่าห้าส่อทั้งโรงงานเลยแล้วมึงก็มาพูดกับถามเขาพี่พี่โรงงานของพี่เมื่อกี้ผมถามดูแล้วพวกเขาบ่นกันว่าเขาชู้เล่เข้าขี้เขียดทาห้าส่อพี่ทํางคนตามแม่งอเกออ่ะเขายโรงงานในโรงงานพวกนั้นแม่งคิดหนักเลยเข้าใจยังอันนี้นี่รอบแรกนะ มึงรอบแรกนะรอบสองพอมึงเรื่มเป็นห้าตอคุณมีงคุณทํางินมั้ยครับทีนี้ของมึงจะเป็นการตั้งคําถามเชิญเสนอนะมึงเตรียมแฟนของมึงไปเลยห้าตอโรงงานอื่นที่มึงเห็นดีๆทั้งหมดมึงเตรียมไว้หายาย่างแล้วมึงก็ยิงถามไปโดยทางพี่โรงงานของพี่เมื่อกี้ผมดูห้าต่อนะจุดพ่อนมีเป็นต่อไปนี้มึงยิงเข้าเลยจุดพรอนที่มีนี้นี้นี้นี้สดยอดามตัวมึงไปเลยครับ สักให้แล้วนี่เลเวล up แล้วนี่ม อ, อัพเดทแล้วที่เลเวล3แล้วพี่ก็สอนให้น้องทํายังไงพี่มป็นเลวดิพี่โรงงานโู้นแล้วพี่โรงงานนี้ผมขอแชร์อเดียกับพี่นี่คนคนนี้ขึ้นมาตรงนี้แมงสันเลยอะไรย่างเขาก็ชสู้งไวเด็กไ e อ้ีกูโอจเจ้าเขาถามอาจารย์ไหนพามาจางวรพัฒน์อจรย์ศิษชาอะไรอย่างสุดท้ายใครเข้ามาอำเท้า มิดสปมือนไม่ได้อ่ะสิบดหม่จะได้สอ่งนี้แม่เป็นใจเป็นตัวหมดละผมสแค่ปีพปั้นในรุ่นหลังๆเนี่ยมึงเนแม่งเก่งบทีคิดมัจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนแ้คุณสนุกขึ้นนะไปเนี่สนุกขึ้นหมนีคุณดูมหลายๆโรงงานนะคุณเริ่มเข้าใจแล้วคุณเก็บไอเดียคุณมีภาพก็คือการดูงานครั้งนี้เราเข้าไปซักเขาด้วย่ะครับหือไ่ช่วยเขาช่วยมแบบเนี้ยทั้งช่วยทั้งซักทั้งถาม ทั้งช่วยทั้งแย่ทั้งอะไรใช่ไหมลเล่นต่างๆเพียบเลยหายย่างดังนั้นการดูโรงงานก็ต้องดูทั้งที่ the best best practice แล้วก็มาดูที่ผูยป่วยแล้วค่อยช่วยโรงงานถึงป่วยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็นว่าพวกเนื่งแง่ออกไปหาโรงงานผมอาจารย์กับผู้คุณเนี่ยก็ไปหาโรงงานดูใช่ไหมแต่พอข่าวลือพวกนี้ออกไปเจ๋งๆเนี่ยสุดท้ายเขาอยากให้เราไปดูว่ะตอนนี้ ตรวแม่งเปลี่ยนด้วยแม่งอยากให้พวกเราไปดูเขามันกลายเป็นว่ากราัโทรหาอาจารย์ี่วยมาดูโรงงานหน่อยได้ข่าวเด็กๆอาจารย์แก่งโคดนะคมมอนะคมเมนต์หนยใช่ไหมโค้ดโคแม่งนคอนเต็นสองทีไม่รู้ให้วิธีิดก็เปลี่ยนไปคราวนี้หลัจากโดดโลกแม่งไปเรียนอะโดดแบบงงไม่ โ, โดดไปกูมันไปหาเราจะมีไอ้ที่อยู่กับอาจารย์เมื่อกี้ไม่ได้ขี่หนีเลยนะเมื่อที้เป็นยังงสองคนนี้อยู่กับอาจารย์แปลว่าอะไรรูนะ้ มึงจบอย่างเดียวเลยนะูคอมเมนต์ะไรไปมัวเทสอะไรจานชี้ดูนะเลยเอาผิดแก้ตรงนี้ไปเดินทางอยู่ตรงนี้อะไยรยังการแก้ให้ทีลอสดูดีการดีไซน์ตรงนี้ค่ามึงจบมึงจบไว้ที่คูอคอมเมนต์นะมึงจบไว้การเิดให้สองคนนี้เป็นอะไรครับเป็นคอนซัลท์เนียนอนาคให้ดูว่าจะทำชิดอะไรเ e a r ม how ตติ้งคิดแล้วเหนือนตัวก็คอนซัลท์กัน หรือ่าแต่เดินไปสักครึ่งโรงงานก็ตาพวกมึงพูดกูจะฟังมึงก็ตกหูอ่ดถ้าผิดก็สอนเอาไม่แต่นี้จะเร็วกว่าไหมครับเมื่อก่อนนี้ใช้การแก่ๆไปแล้วถ้านั่งแดกกาแฟใช่ป่ะแล้วเรเจอการหนุย่างกูกูได้เดินใช้งานใช่ไหมเราากูแม่ล้างบางใหม่เมือนี้มีสเรนผมไม่ลงอะที่ผมพาเด็กนิ่ไปไปเรียนระาว่ายน้ำอะกูไม่เพราะอะไรกูเพิ่งระาว่ายน้ อะไรเพราะอะไรสุดยอดการเรียนเลยก็คือคุณรู้จัดตั้งคำถามมาจดไว้เรียน how to เรียนงานแรกคือ how to a s k how to act ทำคมแย่ใครมีสรุปก็ยังจำไม่ได้ละสู่อเล้ว่า ง, อ, อ, งอ่อในการสอนอ้เลยไอคนถ่ายวีโอแม่งเองคุณไม่ไปตามแผ่นใสอยู่เลยใช่บะมการสอไม่ซ้ำกันแต่ละที่ Learn how. เรียน how คือถามเรีนรู้วิธีที่จะถามฉะนั้นวิธีฝึกนะครับผมตม้องฝึกให้พวกคุณเป็นนักข่าวก่อนรถามเห็นนักข่าวงงมุ่งมุ่งเร่ถามแล้วมันตรีไปมันตีก็ตอบไปแล้วนะคุณถามซะน้กข่าวเราสัมภาษณ์ผมนะผมเปิดกระดานให้มันดูเลยแล้วใช้ไมค์แมพอันะอนี้คุณถามแล้วนะคําถามคุณโยงไปอย่างเงี้ยเราก็ถามผมเนี่เราสัมภาษณ์กันการทำไมนะค์แมพขอถามมานะผมก็เขียน คุณถามผมเรื like like ่องนี้ใช่ไหแล้วคุณก็ยิงในเรื่องนี้แล้วคุณก็วอกไปเรื่องนี้สล่ะพอคุณกลับมาถามเรื่องนี้ผมอะคุณจปิไประเน่แล้วนะจนนักข่าวแม่งโจผมแคปตี้นะในหัวคุณเป็นไม้แม็แล้วคือครูอะตัวแม่งเปลี่ยนเลยก็ถเขียนเรื่องผมออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยงั้นปล่อยผู้แม่งถามสเปกสปากแล้วแม่งถามคูเรื่องนู้นเรื่องนี้ครูอะไรวะคุณตอบไปไดีหนึ่งแม่งไม่ัง คุณท้าถามไม่คุณถามะเปรดสายแล้วถามได้ไรเช็กกิสนะถ้านายต่างให้ถามตามนี้ไไนนะ่ะได้เวท็นสมองมุ่งเนี้มาด้วยเจอปูวัสอนง่าหใชะะ่ป่ะต้องน่าถามเพราะว่ามันเป็นระบบอ่ะคิดเป็นซิสเต็มระบบเลยเป็นระบบ Learn how to t ต i n k ตรง r รง how to ท e a r n มันก็เรียนหาทูติ้งด้วยใช่ไหมครับ Learn how to a อสใช่ไหมครับจะ ต, ต้องมียุทธศาสตร์ไหม ก็มียุศาด้วยใช่ไหรู้เขารู้เรารู <S <S ้จิดต์ตนเองจะไปได้พวบปูมอลน์ได้นิ่ะๆปนไงนูองมน้าอกตันี้ดิอ่าไ้นูน่าออกนั่งง้เขอีกนิ่งๆานั่งตรงนี้เออเี่ยจัดอย่างเงี้ยเลกยังไงบ้างโบราณคุเยอะเนี้ย รู้สึกงอารมณ์เปลี่ยนมากใครนี่อ่ะเปลี่ยนไหอาตัวเด็ต่างกันป่ะางอันไหนอยากตอบผมมากกว่าอาัน้มากว่าเพร่มัแบบเปลี่ยนนะค่องอันนี้คือไซโคโลจีเขาเรียกว่วงจุ้ในการเรียนหนังืขอานข่าวเข้นาูอารมณ์ใหม่อา ข, ข่าต่อแล้วดูอารมณ์ใหม่ยังไงสอนอย่ขอขอขางนีนง้รู้สึกไงบ้าง ท่กอย่างมนมีแบลนเนอร์ขวงคุณอยู่มีการกั้นอยู่ทำให้หวงจุย้ยหรือความรู้ที่วิ่งออกไปน่คุณโดนกันมแล้วอลโอเพ่นอย่างเงี้ยคุณจะฟังอะไผมไมเยอะกว่าจะโอเพ่นกว่าแต่ถ้าเจ๋งอย่างเงี้ยถ้าสอมงอย่างเงี้ยอ่าไหนเขียนมึงเนี่ย่เียเนี่ยมจอดเดีพูดอะไรอย่างเงี้ยค น, ย น, ย น, ยนเราเย อ, อะอเลยวะคนล่แในการสอบ ม, มึงใช้วงจุ้ยครับ ถ้าผู้หญิงเนี่ยตากเสื้อจะอยู่ด้านนี้ดูนมมันไม่ถข้างนึงใส่ตากผู้ชายด้วยใช่ไหมตผู้หญิงัต้องับด้านนี้เห็นมคุณ่ผู้หญิงจะตากเสื้อด้านนี้ใช่ไหมเอางตากผู้ชายหมดเอางีับเสื้อเออจะดูนมม้งด้านนี้่าเจะเห็นเนี่ยดว่าคนหนั่งอย่างงี้ แต่นี่มันไต่อย่างงี้อ ด, อ, นนง อ, งอดมี น, น, น, นาโดปะเขาไม่ต่างกันนะอาจารยนั่งอนในด้านข้างย่างเงี้อันน้หน้าต่างกันวะต่างวะอะไรเรื่องเลยอะอันไหนด้านฟิลฟูด่า ม, มีข้อดีข้อเสียนะอย่างนี้ตลอดก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ก็ต้องเปลี่ยนะันการเรียนการสอนีั ก, น ก, นก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วย อย่างทีอาจารย์บอกคุณคุณไปนั่งหลังเนี่ยคุณนั่งหลังได้คุณจะเป็นโจล์สนุกัวยเพราคุณนั่งคุณเต็มแต่ถ้ากคุณนั่งหลังครับคุณโดคนอื่น็อสุดท้ายคุณแมญเสียการเรียนรู้หมดเลยฉัหน้าที่คุลิงมีอะไรกาครับมันจะพี่บอกนั่งหน้าได้เปลี่ยนไงใช่หนะค่เลยลิ้งมีเทมเปลี่ยนแลเห็นยังอย่างเงี้ยก้องพติกรรมถ้าเป็น่วน็นเรียนเรียนรู้นี้ผมจะเช็คเลยมึงนั่งหลังทึ่ม้าวาที่มึงายรูปไว เดี๋ยวุณายไว้ได้คุณมึงแม่งตันดานเปลี่ยนน่ยังราคาหน้ามงนั่งหลาอีกมึก็สนุกที่ฟังคุณวันแล้วกันเคุณเลือกที่จะทาไมครับคุณเลือกที่จะคุมเกมคุมเกมไม่ได้หน้าด้านน้างหลังอีกอีกเแยงโกเสียบมาเรียนเพ่ว่ามึงก็เปียนวิธีคิดใช่ยังถายได้เดี๋ยวคุณดูพวกนี้ใครแม่งเชงดีเยอะใ่ย เียอะไรอย่าเงี constant, so case, ้ยเขาเยว่เยต้องเปลี่ยนนั่งหลังต้คุมเกมมานั่งหลังมีข้อดีตรงไหนครับมันจะฟังแล้วก็คุมเนี้ยการสอนตรงไหนนั่งหน้าเยเป็นตัวซักนะตัวที่ไอ้พวหน้่งเล่นอ่ะมันมันชอบนั่งเล่นทำไมเรงนี้งนั้นเก็ลในที่ตรงาน่องนั้นทไมต้องไหนีหนีหน้าตุเตลอดได้ทำไมทำไมเขายว่าเาว่าเขาเลยวมมีวิธีิดเนกันนะเข้าใจ ทำไมมึงนั่งน่ขนะองหนูแม่ไม่ยอมแน่แต่เขาอย่างที่คิดอ่ะถ้าคุณจำวันนี้ไว้นะนี่ที่ผมพูดไม่ได่าหรือว่านะหรือคุณนะเดี๋ยวคุณต้เอเจอกนะ้องคุณกินน่ะไปเจอไหมลุกน้องคุณไม่ม า, าไหนบ้างก็ไม่รู้ถึงน่ตะตาลคามบ้างมุลีลำบ้างแมงลารพักเลยมึงจะคุยกับมนยังไงคุณแม่ผ่านระบบ ก, การศึกษาแบบไทายๆมาด้วยผว่า ไมเคยเรียนรู้ทีเรียนรูน้แง่นั่งฟังรออย่างที่มุกดาหารนักโทษจี้อะไจะไปตรวจโรงเรียนมุกดาหารแม่มันต้องไปขึ้นขอมกดาหารไม่ส่มเขียนข้างเลยนะพี่เทสยัวชเขาให้ถอดรองเท้าหรือส่มเขียนกา e กินแต่พีซเทสยัวชูแล้วว่าอะวะหยิอสเท้ า, า, านต่อไปเลีออยเองเยก็กินแตุก า, าหามันไรเง <laughs> ok ี้งยวอจีสยวเนี่มเอไฟน์เทนกิวยูอะไรพวกเนี้ย แม่ลูกน้องของมี ง, งตายเลยเพราะฉะนั้นว่าวิธีคิดขอันถูกกดดันโดยกระทรวงศึกษาคตายที่แก่งคอยก็มีปัญหาพู่นี้นะโรงเรียนแก่งคอยวิทยาตอนนี้เราเลด้เชิงรุษงแล้วโรงเครื่องเลยนะศึกษานิเทศของแก่งคอยเนี่ยมาคุย ก, จกอจกรเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตัดทิ้รูปกนนารศึกษาของแขงคอยด้วย เพรพวกแม่นคือขุมกำลังใหม่ของคุณยืนยนเราใช่ไหมครับแม่งคือลูกหลานพนักงานถ้ลูกหลานพนักงานแม่งโง่ๆครอครก็ซวยด้วยใชไหเดี๋ยวพัฒนากันใหม่เลยครับการเรียนการสอนทั้งหมดเลยตผมนะผมถือว่าถ้าครอบครัวพนักงานมีความสุขการทางานแม่งก็แฮปปี้นั้นการอบรมเเช์เนี่ยนี่เราเจอเป็นครั้งแรกนะทั้งหลายในครกบครัวเมียลูกก็นงเรือครูด้วยสอนให้สอนรเวลานะไม่คิดตังคสโม สอนอะไรว่างานแรกวิธีคําโทนผัวพวกมึงไม่ต้องเข้าคสอนเมียพวกเองคุณสอนให้ต่อมาก็สอนเรื่องวิธียงดลูกพวกมึงเข้าด้วยและเมียพวกมึงเข้าด้วยเพื่ออะไรครับทีตรงสอนพวก น, นี้เรียนรู้เรืองเป็นทีมใช่ไหมทั้งครอบครัวท้งเหมือนใช่ไหมครับัวคุณเมียคุณด้วยและที่เก่งคอยพกเลยว่าพวกเมียแม่งเก่งเมื่อจกเมียได้คัออยู่ในว่างไห เบื้หลังก็มีมึนถามเมียเขาได้ด้วยว่าพวกมึงแม่เป็นยังไงเป็นทีมฮะที่งานถ้านค่านลอกทั้งบ้านมีความสุขที่ทางานมีความสุขมแล้วคุณสังเกตนะผู้ชายที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเบื้องหลังก็มีผู้หญิงดีๆอยู่คนหนึงก็เมียคุณแม่เป็นคนเทพไม่ถลักดันคุณนะเมียคุณเทพตามใจที่เองไงก็ได้ที่พวกมึงแง่งร่วงผมสัมภาษณ์คนผมรู้แมก็ทั่งเมียนะ เขาจะโปรโมดพวกคุณเป็นใหญ่ในปูนก็เหมือนกันนะเขาจะนั่งนะการดูเรื่องมึงคนโผเมียกได้ก็เมีย ม, ย ม, มึงคนแบบไหนเมียดี้วงันแบบไหนครับพหัวแดกเล่าก็อารวาสแม่งด่าเพื่อนถูกข้างแดกเล่าถูกข้ามอินี่มาถูกทางเ <c oughs> งนี่ยคืออะไรผู้หญิงอย่างเนี้ยคนที่คนโผล่ได้คนที่คนพองผู้ชายได้หัวยังพวกมึงขี้เกียจเมียที่ดีได้ทำไมครับใครล่ะกดดังพวกมึงขยนันเะ ข้างนี้กบกันมุณได้เงียอย่างนี้นะมึงคุ้มถ้าไม่ได้นะมึงเชื่อโกอย่านั่นเลยบวชเลยบวชบวชไปคุณไม่เกียดีกว่าในกุฏิเมื่อถ้าเหลืองนั่นเลยมันต้ออยู่นี่แค่ไม่มีหลอย่างเลยนะในการที่จะคนได้นะเช้งคนเนี่ยดูผมดูบวชเลยนะดูบริบททั้หมดเลยเขาเรียกว่า h o l s t i c l e r n i n g การเรียนรู้แบบดูองควมผมไม่ดูแค่คุณอย่างเดียวผมดูนายคุณดูรู่นน้องคุณดูลูกคุณ รูเพื่อนที่คุณพบเดี๋ยวความน่ารักที่คุณใหม่หมดเย็นนี้ไปไหนอ่ะเย็นนี้ทําไหนทำไหนตะวันทําอะไรใช่ไหมหนังที่คุณดูหนังที่คุณเลือกมาดูหนังสือที่คุณเลือกที่จะอ่านหนังก็รู้แล้วนั่นก็ความเป็นตัวตวนของคุณแล้วก็ออกมาแล้วใช่ไหมครับมขาขาสักเคสอาจารย์มาเสี่ยชีวิตประจำวันผม กูไม่ด้ครกูไปใช้ในการพิจารณาที่เสือกใช่ไหมอหดเลยนะไนะม่โหดนะผมพัฒนาข้อ่แหละไม่ใพัฒนาพัฒนาเป็นทีมนงานแรกเลยนะปาร์ตี้บุ่ อ, ออกก่อนได้เอาตัวนี้ออกก่อนไล่ตัวนี้ออกก่อนเนี่ยเก่ง่ไหนก็ให้ลาออกจากงานเลยทังคุณเจมคุณเจมซองสามเดือนรอไปเลยแล้วถ้ามีามกฎหมายกระทรวงแรงงานมาหาผมได้ผมไม่าคาิดสากระทรวงแรงงานได้ยังแล้วอยู่ชมจุดการสังคมด้วยใช่ไหม ดูแลให้เ ต, ตือนะก่อนนะแจกใบเหลืองนะแจกใบเหลืองห้าใบค่อยค่อยมดมองดหนงแข่งหนึงนัดได้ยังแ <c ười> จกใบแดงก่อนแนละ้วอย่าไปทำนะครับพี่บูเ ป, ปอร์อะไรนะ <c ười> อ๋อเป็นลบบเจ้านายกรรมพวกมึงได้ไงได้นายงงไอ้เมนกรรมของท่านแหละ นายก็ต้องเรียนหนังสือวันใดก็ตามนายคิดว่านายเก่งนะนายแม่งโง่มึงเก่งในกาลามึงเลยใช่ป่ะมึงเก่งแบบไทยไทยมึงเก่งในระยองดีกว่าถามว่ามึงเก่งระดับเซาท์อีสเอเซียยังถ้ามึงเก่งระดับซื้ออีสเอเซียก็ถามว่ามึงเก่งในระดับอินเตอร์ยังใช่ไหมครับนายวันใดก็ตามที่คิดว่าเก่งในแม่งมีสองอย่างแม่งโกหกโกหกสร้างภาพนายมันคนมันชอบสร้างภาพเพื่อหลอกผู้ใหญ่ที่เหนือขึ้นไปอีก ตอนนี้แน่ๆมีเยอะโกหกสร้างภาพหลงตนเองแล้วมึงมึงคือสัตว์เลี้ยงอันดับหนึ่งของประเทศไทยไทยแพ้ถูกว่เพราะอย่าเถือกูลไม่เป็นนะครับ ถ, ถ้าเถือกูจริงนยังเป็นอยู่ น, นี่กูว่าที่อื่นแม่งนรกเลยถูกไ่ม เขาปูดไม่น่าเป็นนะผู้ใหญ่เขาดูอยู่เหมือนกันนายคุณถ้า อ, ออกมาเป็นปาร์ตี้บูเปอร์เดี๋ยวเดี๋ ย, ยคุณพาลนคุณอะไรเขาเลงเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ใช่ไหมครับเขาดูอยู่อย่างของคุณชเวนนี่พวกคุณมีการประเมินอคาแรคเตอร์ของพวกคุณไม่ใช่เหรอที่ขึ้นเป็นกอจกอได้กกต้องเก่งสี่เรื่องอะไรบ้างรู้ยังโอหมึงไม่เคยวางแผนที่จะเป็นกอจกเลยกูเข้ามาที่นี่วันแรกแล้วแผนแรกกูจะเป็นกอจกอที่นี่มึงเข้าใจปะ ต้อดันตัวเองก็ขึ้นไปตรงนั้นให้ได้ทํำไงกูจะขึ้นไปตรงนั้นได้ไอ้คุณไม่รู้หรอลักษณะอันทึงประสงค์ของคู่เป็นนายของคุณต้องมีใครบ้างอ่างนะไม่ทํากันบ้านเลยใช่ปะ่ะตงรู้แล้วขึ้นเป็นใหญ่ทําได้ไงใช่ปะ่ะวันนี้ผู้ใหญ่ทําให้เราทําอะไรบ้างขึ้นใหญ่ไม่ได้เอาง่ายๆอันแรกคือเหล็ครับอย่างแรกคุณต้อเป็นคนแบบไหนแฮนด์ออนปแปลว่าอะไรแฮนด์ออนแปลว่าอะไรครับ แแปลได้สองอย่างแล้วว่าอยู่ในรูปในของประโยคคนในแม่งทะเลาะกันแอน on แอนอนไปว่ า, างเงี้ยคำจริงคำจริงรู้จริงก็ได้นะไปได้สองอย่างนะครับคำจริงรู้จริงกับหลายๆมือร่วมกันก็คือสาอะไรครับ Many hands on the same project Hands ซ n หรือ คุณเอ็กซ์เปิทงหน้านี้ก็่คือคุณเป็นแฟนทันพันแพ้ในงาน ม, มึงยืนอยู่หน้าคนคนลูมเนี่ยนะไม่รู้่อะไรคนโคลนลูมเต็จแน่เลยเดี๋ยวสักครั้งจะมีเล่นเกมแฟนพันแพ้นะเล่นเกมแฟนพันแพ้คุณต้องรู้ลวคำว่าแฟนแันแฮ้คุณไม่ต้องแบบไปแข่งไหนนะนอะจากคุณอยู่หน้าเครืค่องชีตเอ็ก a ช g เจอร์เนี่ยคุณรู้จักมันดีขนาดไหน ฮิตดิเชจอร์มีกี่แบบครับแบบไหนเป็นไงบ้างรครับในคคำนวณฮิ่ทิานเจอร์ให้อาจารย์ดูซิการเอ็กซ์เชนเกตของอนินดิย์ถูกว่าจุดเป็นจุดตายฮิตดเชนเจอร์อยู่ที่ตรงไหนใครเป็นเซียนฮิตดิเชนเจอร์ในประเทศไทยโอแม่ต้องรู้หมดแล้วถ้ามึงจะสร้างฮิ c ด er, ิเชนเจอร์จะสร้างยังไงแล้วใครมีคนอ่านเจอรนอลเรือ hit ่องฮิตดิเชนเจอร์จะเจอนอลไหเจอร์นอะ โอ้ชีวิตมึงไม่อ่านเจอนอกนะมึงออกจากวงการได้เลยคนเล่นพลาเครื่องเขายัอ่านวารสารพ้าเครื่องมึงแม่งทํางานโรงงานอย่างงี้ไม่มีวารสารวงการมึงเผลอตายตายคุณด้วยวงการมึงตายแน่นอนเพราะยังยังคนเล่นคอมมันมีวงการของมันไหคุณดูให้คนเล่นคอมเนี่ยวันทัวันแม่อ่านถึงคอมมันที่ไหนไฟปลวงเออแม่งเก่งถูกปะแล้วคุณเล่นอะไรกันพวกวงใส่บุคคลมีวารสารใส่บุคคลยังยังไม่มีก็เถอะ เจนนอล HR มันก yeah. yeah. oh, uh ็คือกระต่ยิดุดแ่นองใช่ป่ะมีเจนนอลออฟเอชามีเจนเเออนมีอย่างที่นี่เคมีมียังไม่มีเหรอคุณเอ็นมีบ้ามีบ้างโอ้โหไอัน เดี๋ยวไปดูก็รู้สายที่อยู่อยู่เลอร์ดิงตรงนี้คุณไปดูได้เลยมีใครยืมบ้างเดีดูหน้าแม่งมีใครยืมมั่งคุก็ยืมม่นะแล้วก็วางฟอร์มถือไปถือมาแล้วมาคืน <c oughs> <c oughs> มาเฮ้ยนี่คือวิธีวัดเลอร์น์เฮาทูลเลอสุดยอดการเรียนรู้ก็คือเซลอะไร <c oughs> ตอนเรียนนิ่งฝ่ายที่ทุกคนยังไม่เซลว่าเลอ n ์นิเลยนะผมว่าทีมงานไม่เก็คซิ่มได้แล้ววม่า ง, งาั้นพวกคุณแม่งกลายเป็นอ e ีแรง ลูกอีเล้งลูกอีเล้งเนี่ยมันรอรอของตายจากอีแล้งแม่มันส่วนแม่มันเท่าไหรครับอีแล้งก็รอของตายแต่ร้องไครชั่วร้ายกว่ารออีแล้งอู้อีเล้งมึงรอให้คนอื่นเขาคิดที่มึงนีงห่หว่ามึงไม่คิดเองเลยนีห่หว่าไม่ขดขวายรู้เองเลยแม่งไออ่อน อย่คตอ่อนเลยต้องเรียนรู้ฮะต้องเรียนรู้ เ, ย, เยอะวันเวลาผ่านไปน้วยมึงทวงเวลากลับมาไม่ได้ลุ้ยผมว่าต้องคิดน้้ยต้องคิดเฮนอ่อนแล้วมีอะไรอีกเอสีเมีของุณที่เมนที่นู่นนะของคุณมีมั้มแปลว่าอะไรแปลว่ากัดไม่ปล่อย กัดไม่ปล่อยจับโปรเจกต์แล้วต้องทำไมครับกัดไม่ปล่อยปล่อยไม่เลิกไปเจอไหมงานไปฉาบฉวยจับชอบ็ชอตชอ็ชอตช็อตไม่เลิกกัดไม่ปล่อยอ่าที่3คืออะไรสโตน e ก็ตสเตช์โกล และสุดท้ายคิดในให้คิดแบบซัสตเอนเดอร์เบก็คือไม่แก้ผ้าเอาเอาหน้ารอดหมายถึงหารากปัญหาเจอนี่คนนี้ผู้ Sustainable หาหาลากแก้วลากฝอย <c oughs> แปลงเรียกว่าผู้ Sustainable แล้วแค่มันหายอย่างเลยครับเ ต, ตโกก็คืออะไรต่อยอดนายผมว่าต่อยอดนายสัางอะไรมึงไม่ต่อยอดคุณนายส่่งมาปับ๊บจึงประตะนะครับหยุดตรงมึงนั่นเอง <c oughs> ต่อยอดเอาไปทาจริงเด็กว้ยข้างล่งนี้ว้ยง้นมึงแม่งอย่าหวังเป็นใหญ่เลยมึงอะ มีเตวเนเนี่ยคุณอยากเป็นสี่คนอย่างเงี้ยคุณต้องมีการเตีวเข้มผมเา่าให้คุณฟังกันสมัยผมเรียนจุฬานี่เกินสิบปีแล้วนะใครจะไปยึดปริญญากูเอาไปเลยกูไม่แคร์ละผู้คุณเคยล่อกันปะตอนสอบกระหาตรงสอบไปอย่างหน้ า, าด้านได้เลยเคยฝีนวะนั่นเองตอนเรียนมึงยังมีเพื่อนเก่งๆเตียวมูงเลยแนตะ่ตอนทํางานทำไมมึงไม่มีวกูไม่เข้าใจเข้าใจวิธีคิดไหมครับ ผมเรียนไม่เก่งเนอะผมเรียน 2.5 เขาไปฝังคลุเลยขึ้นไป 2.6 ใช่ไหมครับ 2.5 เพื่อนผมก็คือไอ้พวกไอ้มนัทเลยพวกเนี้ยเกียดนิยมเรียนต่อ AIT พวกนี้แม่งโคตรเรียนเก่งเลยทำไมจะเรียนถึงสืยังมีความสุขต้องคบพวกมันไหมคบป่ะคบเจไม่ครบอย่างเดี้ยล้อกันบ้านมันด้วยเพื่อหลอกกันพัฒนาพันกันใช่ปะสอนเคลมเทคอยู่สอนมาวอตด้วยนคือกอนเนี้ย กูและคคนเก่งเว้ยไม่มาอยาบเวลาในการเรียนเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ทำวะใช่ป่ะคุณไม่มีติวเตอร์ส่วนตัวประเทศไทยนีฝ่ายบุคคลมันขาดไปเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพวกนี้เยเขาเขาเรียกว่าแคเรียคลินิกคุณไม่มีคนที่จะมามาคอยสอนคุณว่าในอาชีพของคุณเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตนยังไงคุณขาดยงแงในคัลิงแแคเรียคลินิกนะ แปลว่าอะไรครับเคลียคลินิกม่คืออะไรเคลียคลินิกเดินเข้ามาหานักจิตวิทยาคนหนึ่งเขาเขาก็จะกลายเป็นคาลเซเลอร์หรือคาลเซลลิ่งเนี่ยก็คือที่ปรึกษาการทำงานคุณต้องมีเพราะอะไรครับคนที่บอสโ ว, โว่ของคนแม่งขึ้นเป็นใหญ่เนี่ย แม่งเก่งเรื่องเงินแม่งเป็นเซียนเค็มเอนไม่งเป็นซียนเครื่องกลแม่งเป็นเซียนไฟฟ้าแต่สัมดามิศวะเนี่ยแม่งไม่เคยเรียนจิตวิทยามาก่อนเลยมันเก่งเรื่องช่างเราเสือกโง่ดึงแม่เป็นแมเนจเจอร์แต่มัไม่เก่งเรื่องคนสุดท้ายคนดีๆไม่เคยอยู่กับมันเลยเพราะมันทําเองหมดเขย่าๆไอคนเนี้ยแล้วมันก็ไม่ต้องการให้มีลูกน้องมากเพราะถ้ามีลูกน้องเก่งมากฐานหน้าของมันสั่นคลอนคุณเคยเจอแม่ช่างที่ชั่วพวกเนี้ยที่มันซ่อมเฮียจะผิดก็ได้ด้วย แต่แม่งหวงความรู้มากแม่งไม่เคยบอกใครวิธีซ่อมเลยทั้งหมดเลยอยากรู้กับมันก็ไม่เมาวกับมันจริงๆคูณเจอแม่ช่างอะไรเงี้ยถ้าเจอนี่ก็ต้อง s o ยทิ้งเล ย, น, ยนู้นคนแบบนี้ต้อง soy ทิ้งเก็บไว้ไม่ได้อันตรายมากมันเป็นอันตรายต่อองค์กรใช่ไหมครับเพราะคุณไม่แชร์แล้วไม่ชวนแชร์คุณยบหน้าที่คุณฟังใหดีนะผมมีช่างอยู่ห้าคนนะซ่อมเก่งมากนะชื่อไอโป้ไอชี้ไอกลางไอนานไอก้อยนะโป้งเนี่ย เป็นช่างที่เก่งที่สุดในบริษัทไอ้ก้อยที่ห่วยสุดเมื่อถึงวันต้องเลือกหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงคุณเอาใครขึ้ น, นเม่มีเรื่องช่างไม่นีแม่งเก่งสุดส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเลือกตัวเก่งสุดใช่ไหมในเมื่อมันเก่งช่างเนี่ยทุกเรื่องอื่นแม่งเก่งด้วยป่ะแม่งเละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยคุณพันอย่าแแระ ทุกท้ายคุณได้แล้วพอผู้บริหารอยู่ตรงนี้นะผู้บริหารอยู่ที่สี่คนคนนี้บจบมาเกจิงจบ m อ a เจบทัวรนี่อรอไหมจบเมืองนอกสมบูรณ์เลยควายตัวเมงเลยเข้าไปร่วมบริหารด้วยเข้าใจยังแล้วมึงก็ไปไปไปทให้เข้ามาษาแดกดอยู่ตรงนี้เข้าใจยังไปประชุมกั น, นเงียบเถียงงงงนิ่งใครก็ด่าอะไรก็เงียบแล้วออกมาด่าให้น้อ ง, องฟังตออยู่ในห้องประชุมเงียบไม่เสนออะไรออกมาเขาบอก พวกแม่งโง่ต้องกูแต่พอเข้าประชุมเงียบต่อไปเควายเนี่ยควายไม่วุ่นประชุมคุมเคยเจอไหมหรืออย่างงี้ฝ่ายบคนแม่งต้อไวมากฝ่ายแคลีคลินิกหรือที่ปรึกษาทางด้านการงานทางด้นานจิตวิทยาองค์กรแม่งต้อโคตรไวเลยต้องล็อกคอแล้วมีการเชงครั้งใหญ่เข้าใจไหมครับคุณต้องเชงแล้วแล้วคนนี้ก็จะปากมาเพอเข้ามาอยู่คนนี้ไงใช้สันดานเดิมคุณเคยเห็นนี่ไหมหัวหน้าหัวหน้ายิงแม่งองขอลิงสมมติเครื่องจักรตัวนี้เสียใช่ไหม จะมีมันมีหั ว, นวนหน้าลิงตัวหนึ่งแม่งซ้อมแล้วลิงสูหลืงไม้ว้อมดู